ย่อมไม่เกิดขึ้นในโลกที่ว่างอยู่พุทธเจ้าแม้ทั้งแสนกับแม้ทั้งอสงไขยเมื่อพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติ <c oughs> ภายในหกแสนในภายในหนึ่งแสนหกหมื่นกับก็เกิดขึ้นย่อมเป็นเหมือนสถานที่เป็นค่ายพักของพระผู้ให้ภาคผู้ประกาศธรรมจักรเพราะนัจึงไม่จัดเข้าในวิญญาณนิติไม่จัดเข้าในสตารวา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 เน้นไม่น่าจากไปเล ย, ยงเงี้ยโทรมนั่นก็เกิดอย่างเงี้ยเขาเรียกเสื่อมลาบใช่ไหมทาเน้นอยู่ก็โอ้ยดีใจมีลาบเข้าใจไหมเพราะเน้นมีบุญไปบินาบาบดได้อาหารเยอะถ้าเน้นไม่อยู่ยุ่งเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเข้าใจปะไม่รู้เรื่องอีกตรงนี้ก็คือว่าลาบนี่นะ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 โยไม่ต้องทำโยไม่ต้อง ท, มทามาเป็นขั้นตอน้เหนอย่างนี้แล้วเต่ง่อย่าง้ป็น้อนนลวจะตั้งก็ ม, งมันแล้วมันเป็นไหม <c oughs> แก้งพูดบิดให้เป็นรึมันเป็นจริงๆิ ม, มันเป็นเนา ะ, ะพอเป็นอย่างนั้นแล้วนั้นหละจุด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 สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกาลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใด